Book 84. 2 84ปดสิบสี t สี่ร้อยสี่สอดีตการสี่อ่านผมอ่านแล้วให ผมอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้วใหญ่ฮาร์อ่ h e l ี่ที่เรื่อเข้าใจฟอสตู <st> ผมเข้าใจแล้วใหญ่ฮาร์ฟอสตูดผมเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้วใหญ่ฮาร์ฟอสตูดที่ที่เรื่องตอบ ผมตอบแล้ว a หญ่หาสว r e รผมตอบคำถามทั้งหมดแล้วใหญ่หาสวากร์ผมตอบคำถามทั้งหมดแล้วผมทราบแล้วผมได้ทราบแล้วใหญผมทรผมผมเขียนผมได้เขียนแล้ว ผมได้ยินผมเคยได้ยินแล้วผมกำลังรับผมได้รับแล้วผมกำลังนำมา ผมได้นำมาแล้วฉันเอามันไปผมซื้อผมได้ซื้อแล้วฉันซ a ้อมัน้ผมคาดไว้ว่าผมได้คาดไว้แล้วว่าฉันค r ดไว้ฉัน ผมอธิบายผมได้อธิบายแล้วยายฟอคลาดิย่าฮาร์อคลาดิผมรู้ผมรู้แล้วยายเคนาดิย่าฮาร์เคนดิ